ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณกำลังนำเสนอการศึกษาค้นคว้าปฏิบัติเพื่อสัสรูของพระภูมีพระภาคเจ้ามาตามลำดับแล้วข้อความเหล่านี้ก็กระจัย ก, กระจายกันอยู่ในพิสูจน์ต่างๆนะครับเทียงแต่ว่าสังเกตได้รับสั่งว่าเราเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ศัสรู ก็แสดงว่าเป็นเหตุการณ์ในก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ว่าองค์ธรรมแล้วก็คือองค์ธรรมที่ทรงนํามาสั่งสอนนั่นเองเพียงแต่ว่าไปเน้นย้ําในตรงนี้มากก็เพราะว่าในช่วงนั้นพระพุทธเจ้ายังเป็นประโพธิสัตว์ก็เรียกว่ายังเป็นสามัญชนเราเองก็สามัญชนเต็มขั้นวันถ้าจะศึกษาเดินโดยเสด็จตามรอยยุคนบาดของพระพุทธเจ้า เอาขนาดในสมัยเป็นประพธิศาสตร์ได้สักระดับหนึ่งนีโลกมันจะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการครองชีวิตของคนเนี่ยจะปลอดเวยนปลอดภั ย, ป ล, ภยปลอดอันตรายมีความสุขมีความสงบเพิ่มขึ้นในข้อต่อไปเป็นข้อความในทัศสามาสูตรพุทธวัคอภิสมสังยุตสังยุตตนิกายนิฐานวัคนะฮะ คือคือในพวกสังยุตติกาเนี่ยเป็นพระสูตรที่ลึกซึ้งมากแล้วก็น่าศึกษารายละเอียดเนี่ยองธรรมเนี่ยจะลึกซึ้งเราเคยพบท่านอะไรอริยคุณาทานเสิงปุตโสสันตจิตฤษณีนะถ้านำมาเรียบเรียงเรื่องทิพะย์ญาอำนาจเป็นหนังสือที่ดีมากนะเก่งมาก มาร้อยเรียงมาเรียบเรียงไม่ใช่ว่าเขียนเองนะฮะเกิดหมายความว่าเอาข้อความเหล่านี้มาร้อยเรียงเรียงลําดับขั้นตอนของการประพฤติปฏิบัติชื่อวิทิพยะอํานาจเป็นหนังสือในยุคตรงนั้นที่จริงก็ยุคหลังยุคหลังวิชาแปดประการกองลวงวิจิตนะแต่ก็เด่นดังมากเหมือนกันศึกษาสนใจกันมาก ในข้อต่อไปนั้นรับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายครั้งก่อนแต่การสัตรู้เมื่อเรายังไม่ได้สัสรู้ยังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่แต่เกิดความรู้สึกอันนี้ขึ้นว่าสัตว์โลกนี้หนอถึงทั่วแล้วซึ่งความยากเข็นย่อมเกิดแก่ตายุติบังเกิดแต่ เ, เมื่อสัตว์โลกไม่รู้จักอุบายเครื่องพ้นไปจากทุกข์คือชรามณะแล้ว การออกจากทุกนี้คือชรามระนี้จะปรากฏขึ้นได้อย่างไรนี่เป็นการมองโลกที่เป็นองค์รวมซึ่งก็พระองค์เองก็อยู่ในตรงนั้นด้วยนะฮะอยู่ในจุดเดียวเขาด้วยในขณะนั้นคือปัญหาสำคัญว่าชีวิตมันซ้ำซากจำเจบุญบนที่ทรงแสดงเฉพาะในที่นี้เนี่ยถึงความยากเข็เกิดแก่ตายแล้วก็จุดตี ก, ก็คือตายนะฮะแล้วก็บังเกิด คือไปส่นที่จติเป็นส่นที่จติเป็นส่นที่มันก็หมุนวนอย่างเงี้ยเกิดดับเกระดับกระดับเกิดดับไปทยอยก็เป็นคลื่นเป็นกระแสไฟแล้วเมื่อสัตว์โลกเนี่ยยังไม่รู้จักอุบายที่จะสลัดออกไปมันอยู่ในวงกลมที่หมุนกิเลสกรรมวิบาก อ, อย่างที่ว่าหมุนเนี่ยกิเลสเป็นกิเลสกรรมวิบากเนี่ยจากทุกขคือชรลาบาณะแล้วเนี่ยการออกจากทุกขคือชรลามรมะนี้จะเกิดขึ้นได้ยังไง ก็เป็นการมองสืบสาวไปจากข้างล่างนะไปจากข้างล่างก็คือที่เรากําลังสวยอยู่ที่เรากำลังเป็นอยู่เนี่ยจะในขณะนี้เรากําลังชราและกําลังมรณะอย่างน้อยนี่เขาคณิกะมรณะคือเราก็ตายอยู่ทุกขณะแล้วเราก็แก่อยู่ทุกขณะแล้วก็พร้อมที่จะเจ็บป่วยอยู่ทุกขณะเหมือนาากันถามว่าตรงนี้มันน่าพิษสมัยไหมชีวิตร่างกายนี่น่าพิสมัยว้าบางทีอย่างนึกขำตัวเอง เดินเดินไปโรงพยาบาลดีๆนะฮะลงจากรถก็เดินไม่ใช่เฉยๆแต่เจ้าหน้าที่มึง จ, จับรถเข็นมาเข็นเราเลยบางทีเป็นแทนที่จะเข็นให้นั่งเฉยๆไม่ให้นั่งเลยให้นอนไปเลยมันก็นึกดูโอ้ชีวิตเราเนี่ยมันห่างกันนิดเดียวจังหนึ่นงกลางๆจากกนปกติและเสร็จแล้วก็เพื่อกระจับขึ้นบางทีก็เดินไหลเข้าไปห้องผ่าตัดหายไปเลยนี่ก็คือชีวิต ที่มันจำเจซ้ำาๆซัซกซเพราะนั้นประเด็นที่น่าศึกษาก็คือว่าสัตว์โลกเนี่ยมันก็เป็นความมันอย่างนี้ก็ถําให้นึกถึงหลักอย่างหนึ่งที่รัตตปาระท่านได้แสดงแก่พระเจ้าโกรพยะคือพระเจ้าโกรพยะได้ตั้งข้อสังเกตนะว่า ไอคนที่ออกบวชเนี่ยมันส่วนมากมันเป็นคนยากจนเป็นคนกระททนเป็นคนแก่ชาราเป็นคนอนาถาหาที่ฝึกไม่ได้ไม่มีใครเลี้ยงดยูอะไรเลยนี่กรทตันมองโดยความรู้สึกของท่านนะพระตปาระท่านได้แสดงเห็นพระตปาระท่านเป็นลูกเศรษฐีนะฮะร่ํารวยมากแต่วก็ฟังธรรมเทศนาจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ปรารถนาจะบวชแต่ว่ามารดาบิดาไม่ยอมให้บวชท่านประท้วงนะฮะโดยการไม่ยอมกินอาหาร นอนนิ่งน้ำท่าไม่อาบพ่พอแม่ก็ไม่ยอมในสุดเพื่อนๆ น, นะมาช่วยพูดกันบอกก็ไม่ได้ถ้าทําอย่างนี้รัตปาลราเขาเอาจริงเอาจิงไปเดี๋ยวก็ตายเลยเพราะงั้นยังไงก็ให้บวชไปก่อนเถอะแล้วค่อยพูดกันทีหลังกรในที่สุก็ยอมไม่บวชแต่ท่านบวชออกมาเนี่ยท่านก็เที่ยวจาริกไปในที่ต่างๆแล้วก็กลับมาที่เมืองของท่าน ก็ไปพบกับพระเจ้ากัวรับประยซึ่งเป็นกษัตริย์ก็คุยกันท่านก็แสดงให้เห็นสภาพของชีวิตเนี่ยเพราะโลกคือหมู่สัตว์อันชรานำไปใกล้ไม่ยั่งยืนเราเกิดแวะมาถึงตั้งแต่ไปสนที่แล้วมันไหลก็เข้าสู่กระแสของความแก่ ก็กลายเป็นความแก่อยู่สองช่วงเป็นช่วงแรกก็เรียกว่าแก่ปิดเราก็เรียกว่าเจริญวัยมันก็ปกปิดความแก่เอาไว้ที่จริงก็คือแก่นะแต่เราพอใจเพลิดเพลินชื่ น, น ช, ชมยินดีต่อการแก่ในะลักษณะนี้คล้ายๆกับตอนอยู่ในคันเนี่ยนับเดือนนับวันกันฮคืออยากให้แก่เร็วๆนับเดือนนับวันกันไปเลยแล้วก็เตรียมหมอเตรียมอะไรตๆกันเนี่ยตื่นเต้นกันเป็นการใหญ่เป็นมากรรมเลย แสดงว่าสัตว์โลกพอใจในการเกิดพอใจในการแกร่เห็นไหมพอใจในการเกิดแล้วพอใจในการแกร่ตรงนั้นจึงชื่นชมยินดีกันเป็นการใดพอเข้าโรงพยาบาลมงสากณะญาติแท้กันมาเลยมาดูชื่นชมหลานวันก่อนในวันที่31สิงหาคมเนี่ยเจอข่าวเล็กๆ บรกโหดที่อินเดียเขาทานายลักษณะของหลานของสัญชัยนะลูกของลูกสาวสันชัยแต่นามสกุลไม่น่าจะคันทีนะแต่เขาก็เรียกเป็นคันทีว่าเหมือนกับการอุบัติของราชกุมาร น, นะว่าในการต่อไปเนะี่ยจะเป็นนักการเมืองที่ยิ่งใหญ่ของชมพูชวีบเขาทำนายว่าจะเข้าสู่การเมืองเมื่อยุยี่สิบสอง แล้วตอนนี้เจ็ดสิบเนี่ยจะเป็นนักการเมืองระดับโลกเลยเล่นทํานายกันอย่างนั้นนะอินเดียไม่ใช่เล่นนะฮะอย่าลืมนะว่าตานาทํานายแนวนี้ลงฟังกันไว้นะเพราะว่าสะสมมานานเหลือเกินตำนาตำนายลักษณะของคนเนี่ยแล้วนึกดูพระพุทธเจ้าก็ถูกทํานายอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็เป็นอย่างที่อย่างที่โหนก็ว่าเหมือนกันแล้วก็โหนหลายโหนนะฮะีไทําทนายกันแต่มันแสดงอะไร แสดงว่าคนชอบความเกิดแล้วก็ชอบความแก่ในช่วงแรกนะฮะช่วงแรกปฏิสนธินี่แสดงชอบเกิดมีใช้ความเพียรพยายามกันสารพัดที่จะให้เกิดแล้วก็พอปฏิสนธิแล้วก็ชอบแก่ชอบไว้โตเร็วๆก็เรื่อยมาจนคลอดออกมาจากครรภ์มันนะตรงนี้ก็เรียกว่าปฏิจันชราคือชรามันปิด เราก็เรียกว่าเจริญวัยคือความเจริญความเสื่อมที่ออกมาในรูปของความเจริญมีความเติบโตแข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็กำลัดเพื่อเพื่อชืดจุมยินดีอยู่ต่อการเป็นอย่างนั้นแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็ชักจะไม่ค่อยชอบพอเลยยุคลางคนไปเนี่ยชักไม่ค่อยชอบ แต่ถ้าเรามองกันจริงๆคนทุกวันเนี่ยแก่น้อยกว่าคนรุ่นก่านนะแต่ถ้าดูราษฎรนต่างท้องถิ่นชนบทที่หา่างไกลก็น่าดูเหมือนกันคือวังก่อนมาไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเราก็เรียกว่าโยบโยงอย่างเงี้ยพูดไปพูดมาก็อ่อนเราตั้งหลายปีเลยเฮ้ยทําไมดุงแก่ได้เก่นีิ้ก็คือแสดงว่าส่วนหนึ่งมันเป็นองค์ประกอบของชีวิต แล้วก็สรุปว่าตอนแก่เนี่ยเราก็ไม่ค่อยชอบคนพูดเป็นคนแก่เราพูดว่าแก่แล้วเราพูดว่าคนแก่เนี่ยก็ไม่ค่อยชอบจนขนาดเดี๋ยวนี้เราต่อต้านนะเห็นไหมฮะเราเรียกผู้สูงอายุผู้สูงวัยผู้เจริญวัยจะไม่พูดว่าคนแก่พูดเท่าเนี่ยไม่เอาลันโกรธมากเลยไม่ชอบเลยอายุแปดสิบกว่าเรียกผู้เท่ายังไม่ได้เลยซึ่งแสดงว่าเราเอาก็จริงเราต่อต้าน และต่อต้านในต่อต้านสิ่งที่เราเคยชอบเราเคยชอบการเกิดเราชอบความเกิดเราชอบคนเกิดเราชอบให้การให้มีการเกิดแล้วเราชอบไม่มีการแก่ในช่วงแรกแต่เสร็จแล้วเราก็ไม่ชอบหมดเลยเอาใจยากนะคนเนี่ยจริงๆก็ใจยากพอามาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็เกิดไม่ชอบในะจริงตอานั้นที่นี้มีประเด็นหนึ่งที่ที่อยากจะ ให้ตั้งข้อสังเกตก็คือชาติที่เราแรลว่าความเกิดเนี่ยเบยี้อนี่มีการพูดกันในทรรนองแล้วโดยพระอาจารย์ในค่อนข้างดังนะมีชื่อเสียงไม่รู้ท่านออกมาจากไหนก็แปลกจริงๆอย่างอัจจรันหรือท่านบอกว่าการเกิดเนี่ยเป็นเรื่องของความคิดเนี่ยเราคิดเป็นนั่นเป็นนี่เป็นโน้นเราก็ถือว่าเกิดละเกิดเป็นชาติหนึ่งชาติหนึ่งแล้ว พระพุทธเจ้าไม่สอนอย่างนั้นนะนะศาสนาอื่นไม่รู้นะแต่ศาสนาพุทธไม่สอนอย่างงั้นถ้าความเกิดยาญาติสัญชาตินิพปติอภินิพปติขันธานังปาตุภาโวอายะตนานังปฏิลาโภอย่างวุตจติภิกเวชาติก็จะพูดอย่างนั้นเลย ดุกรพิสูจน์ทางหลายการเกิดกันบังเกิดการเกิดพ ร, พร้อมการได้อายตะนะความปรากฏแห่งขันในมูสัตว์นั้นๆของมูสัตว์นั้นๆในมูสัตว์นั้นๆอันใดดุจกรพิสูจน์ทางหลายนี้เราเรียกว่าความเกิดเพราะความเกิดในความหมายของพระเจ้าก็คือเกิดอย่างนี้ย เ, เกิดในกำเนิดทั้งสีเกิดในขันก็ได้เกิดในไข่ก็ได้เกิดโอยในของสกปรกก็ได้เชื้อไวรัสทั้งหลายเนี่ย แล้วเกิดโดยผุดขึ้นเป็นโ อ, อปปาติกะก็ได้วนความเกิดของความคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของอปปาราติติพังคานเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของกระแสความคิดนาำหนักความว่าเป็นเป็นการปรุงคิดคิดปรุงขึ้นมาของคนเรานั้นเองแต่ถามว่ามันเกิดเป็นความคิดมั้ยก็ใช่ฮะแต่ว่าไม่ใช่เกิดในความหมายของชาติ เราอย่าลืมว่าพระพุทธศาสนานั้นทรงแสดงสมบูรณ์ด้วยศาสตร์ถังสะพยัญนจดนังคือสมบูรณ์ด้วยอัฏฐะและพยัญชนะพยัญชนะอย่างนี้มีความหมายอัฏฐอย่างนี้เพรา ะ, ะนั้นคมคว่าพยัญชนะที่เรียกว่าชาติก็ดีชาตโตก็ดีชาตะก็ดีนะหมายถึงการเกิดในกำเนิดทั้งสี่ไม่ได้หมายถึงการเกิดในลักษณะอย่างอื่น อย่างเช่นสมมติพระพุทธเจ้าเกิดเนี่ยพระพุทธเจ้าเกิดไม่จะเกิดจากพระคันตอนนี้ไม่จะเกิดจากพระคันแต่ว่าตอนที่โน้นตอนตอนประสูติจากพระคันเนี่ยชาตินะฮะชาโตชาตินะเช่นเช่นอะไรอะฮะพระองค์คุลิมาณ น, นะฮะพระองค์ุลิมาณที่ท่านกล่าวคาถา ยาโตหั่งภาคกินิอริยา ย, ะ ย, ะยายติายาโตเราเกิดแล้วโดยอริยกชาตนะิเราจะเห็นว่าในกรณีนี้ใช้ที่จริงเนี่ยความเดิมจริงๆเนี่ยท่านต้องการพูดถึงตั้งแต่ท่านเกิดมาพระเจ้าสอนให้ใช้ตั้งแต่เกิดมาแต่ท่านบอกว่าอตอนนั้นท่านก็เจตนานะเจตนาค่าสัตว์ตอนระพรเจ้าก็ตัดเอา ชาติยาชาโตคือหมายความมาเกิดมาโดยอริยกชาติชาติที่เป็นที่เป็นพระเนี่ยเป็นนักบวชเนี่ยท่านไม่มีเจตนาในการฆ่าสัตว์เลยตั้งแต่บวชพูดง่ายว่าตั้งแต่บวชตอนนี้ใช้ความว่าชาโตแต่ว่าถ้าชาติแล้วเนี่ยต้องหมายถึงอย่างนั้นหชาโตอาจจะใช้สัพท์ได้นะแต่ชาตินี่ยังไม่เคยพบนะฮะใครพบก็กเอามาดูหน่อยก็แ้กั คื อ, อยังไม่เคยพบว่าใช้ในความหมายอย่างอื่นนอกจากความหมายว่าเกิดในกำเนิดทั้งสี่เกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของสกปรกเกิดโดยผุดขึ้นแล้วก็จุติก็คือตายนะฮะจุติก็คือตายแล้วอุออปบัติก็คือเกิดอีกอะก็สุดสรุปว่า ประสบความยากเข็นความลําบากความเดือดร้อนด้วยการเกิดด้วยการแกร่ด้วยการเจ็บแล้วก็ด้วยการตายอย่างเงี้ยก็หมนุนวนนี้เกิดแก่เจ็ะตายเกิดแก่เจ็บตายอย่างเงี้ยจนซ้สำสกากซากเป็นเรื่องซ้ำซ้ำซากซ ก, ก็นึกดูถึงเหมือนเราตื่นึ้นมาแต่และวันเนี่ยเราสังเกตุซ้สำซ้ำซากซากทำแล้วทําอีกกินแล้วกินอีกถ่ายแล้วถ่ายอีกอาบแล้วอาบอีกล้างแล้วล้างอีกปแปรงฟันแล้วแปรงฟันอีกอะไรซ้ําๆำซากๆเป็นหน้าเบื่อหน่าย แต่ว่าคนก็กำนัดเพื่อเฟื่อสยบจิตทีนี้ก็สมมองสาวไปจากปลายคือว่าที่จริงก็ศึกษาปฏิจจสมุปบาทนั่นแหะเพียงแต่ว่ามองจากปลายไปหาโคนคือปฏิจจสมบัติเป็นมองหลายแนวแนวหนึ่งก็คือมองจากปลายในยสาวไปที่โคนอันนี้พระพุทธเจ้าจะพระโพธิสัตว์นะฮะเริ่มจากตรงนี้แล้วเสร็จแล้วก็สาวจากโคนเนี่ยมาปลาย หรือบางครั้งเนี่ยสาวจากตรงกลางนไปหาโคนหรือสาวจากตรงตรงกลางไปหาปลายเพราะเราจึงพบกิเลสเนี่ยว่าอยู่สองจุดจุดที่เป็นอดีตเหตุก็คือวิชาจุดที่เป็นปัจจุบันเหตุก็คือตัณหากับอุปาทานโดยแสดงว่าพวกเนี้เป็นเป็นกระบวนการของการเวียนว่าตายเกิดของบุคคลได้ด้วยกันก็แล้วแต่จะพูดจะพูดยังไงก็ได้ ประเด็นสำคัญที่น่าจะทำความรู้จักก็คือองค์ธรรมแต่ละข้อเนี่ยว่ากรอบในหมายความมาอย่างไงเราจะเห็นว่ามันเป็นลักษณะของโซ่ที่คล้องกันแล้วก็หมุนวนหมุนวนทยอยกันไปไม่ขาดสายเป็นข้อที่น่าสังเกตยอย่างหนึ่งนะฮะสังคมของยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาตื่นเต้นกับปรรยากาศมากปฏิจจสงบาัี้มาก ว่ามันจับไปเข้ากับกระบวนการทั้งหลายของไทยเราเพิ่งพูดเนี่ยฮะเราเ พ, พูดถึงวัตจักรพูดถึงปัจจยาการเราเพิ่งพูดไม่กี่ปีเราจะไปติดในอริยสัจสี่ที่จริงอริยสัจสี่กับปฏิจจสมบทเป็นอันเดียวกันเพียงแต่ว่ามีวิธีนําเสนอต่างกันเค่นั้นเองในปฏิจจสมบาทมันก็มีอยู่สองตอนนะฮะคือตอนสายเกิด ก็เป็นเรื่องทุกข์กับสมุทยัยสายดับก็เป็นเรื่องมรรค ก, กนนิโธด <S <S ก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าทรงขยายอธิบายออกไปวิจิตพิสดารทท้ง น, นั้นเองก็รับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายความโงนนี้ได้เกิดขึ้นแกนเราว่า <S <S เมื่ออะไรมีอยู่หนอชรามรณะจึงมีชรานามรณะมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยชราเนี่ย ชาราก็คือความแก่งอมต่างๆคือชาราก็คือที่เราแก่นะฮะอาการที่ปรากฏผมงอ ก, ก็ดีฟันหักก็ดีตาพร่ามัว ก, ก็ดีหลังค่อมลงก็ดีเอหนังเขียวก็ดีฟันหักก็ดีนะฮะเดินเอาไม่เท้ายันไปข้างหน้าก็ดีแต่และอย่างเนี่ยเป็นสั ญ, ญลักษณ์เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของเทวทูตคือความแก่และความตายก็คือการแตกทําลายของชีวิตอินทรี นะของสัตว์ทั้งหลายอายุขาดไออุ่นขาดวิญญาณดับวิญญาณดับก่อนฮะวิญญาณดับอายุขาดไออุ่นดับก็ถือว่าเป็นความตายแล้วบางครั้งท่านเรียกบางทีก็เป็นความแตกทําลายของชีวิตจินสีที่จะต้องมีแก่สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้แม้ทั้งสิ้นคุณชะลาในตรงเนี้ยมันก็ หมายถึงชีวิตของคนแก่คนตายทั้งหลายแต่เรียนลืมนะเวลาสอนนี่จะสอนหลายแนวแนวหนึ่งคือให้สอนในแนวเทวทูตเทวทูตในการย้ำเตือนเทวทูตที่เราเรียนเราเรียนคนแก่คนเจ็บคนตายเรียนสามนะฮะแต่เวทเทวทูตที่พระพุทธเจ้าเราเรียนสี่ เ, เ, เ, 4, เห็นบ้านสัปปะแต่ว่าเทวทูตในพระสูตรเนี่ยเทวทูตสูตรเนี่ยมันพูดถึงผู้หญิงมีคันหรือว่าเด็กอ่อน ซึ่งเป็นกฎของธรรมชาตินะพวกนี้มันเป็นผลผลิตรธรรมชาติในขณะเดียวกันก็นักโทษที่ถูกจองจําด้วยโซ่โวนคือคาทั้งหลายนั่นก็คือกฎของของกรรมนั่นเป็นอาการของกรรมแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากสังสารวัตรคือหมายความมาถ้าแกไม่เกิดมาเนี่ยการทํากรรมจนเป็นต้องเป็นนักโทษเดี่ยมันไม่มีหรอกก็เป็นอาการที่เกี่ยวโยงกัน แล้วก็คนแก่คนเจ็บคนตายตกลงว่าเทวทูตที่ท่านบอกว่านะท่านบอกว่าปิยายมจะสอบถามมนุษย์เนี่ยถามถึงความรู้สึกท่าทีของบุคคลต่อเทวทูตทั้งห้าที่ตนสัมผัสเนี่ยมีความรู้สึกยังไงรู้จักไหมก่อนนะถามไม่รู้จักไหมถ้าตอบไม่มรู้จักได้รู้จักแล้วคิดยังไงนะทีนี้ความคิดเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะอะไรเพราะตามปกติแล้วเนี่ย อย่างอย่างคนอื่นในใจไม่ค่อยหวั่นไหวนะฮะผู้หญิงท้องแก่กับเด็กอ่อนเนี่ยใจเราหวั่นไหวมากคือเห็นแล้วเป็นห่วงเป็นห่วงปุกปกลักกวอันต ร, รายนะจะเกิดก็ต้อง น, น, นึกถึงแม่นึกถึงแม่นึกถึงเราตอนเด็กๆนะโอ้ยมันก็เสียงจางมันเปราะ บ, บางจาังเป็นห่วงทุกทีเลยก็อ ป, ปลกือบแปลกเกือบไปเห็นแล้วก็สะดุ้งกลัวว่าเขาจะเป็นอันตรายแต่ว่าเราลองสังเกตว่าแต่บางครั้งนี่โบราณเนี่ยสังคมเรา ว่าถ้าผู้หญิงท้องแก่เนี่ยขึ้นรถเนี่ยทุกคนต้องุกขึ้นให้ที่นั่งเลยเป็นคนพิเศษคนแก่คนชราคนมีคันนะไม่ใช่คนชราคนมีคันแ้วก็เด็กเนี่ยตลอดถึงพระสงฆ์เราก็จะให้ที่เป็นพิเศษเห็นไหมมันก็เกิดเป็นตัวกระตุ้นให้ปฏิบัติธรรมะเพราะนั้นก็คือภาพลักษณ์ของแม่ที่อุ้มคัน เราก็แม่ก็เคยอุ้มคันอย่างนั้นเรานึกดูว่าถ้าแม่เรามีคันแก่ตอนอุ้มคันเราแล้วก็ขึ้นไปบนรถเมล์แล้วก็คนก็ปล่อยยืนอยูง่งั้โอ้เราจะได้เกิดมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ตัวนี้หลยกลายเป็นครูกลายเป็นครูที่จะสอนเพราะมันเธอวัตุเ ป, ป็นสื่อสารอย่างประเสริฐว่าเธอก็เคยเป็นอย่างนี้นะเธอก็เคยอยู่ในคันอย่างเนี้ยจริงเด็กเล็กและเสียวเลยะเห็นเขาอุ้มเด็กเล็กเดินเนี่ยเสียวกลัว ก็ฉลนุนเพราะอะไรเพราะว่าเราก็นึกถึงเราสมัยเป็นเด็กก็รอดปากเหี่ยวปากกามาได้เนี่ยก็ก็ก็ไม่ใช่ธรรมดานะหรืแสดงว่ามันผ่านอุปสรรคอันตรายมาเยอะแต่ตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นผลมันตอนปลายตอนปลายของปฏิกิริยาแล้วถามมันมาจากไหนล่ะ ก็รับสั่งว่าได้เกิดความรู้สึกด้วยปัญญาเป็นปัญญาระดับพิจารณานะเพราะการคิดโดยบายวิธีที่แยบคลายว่าเป็นลักษณะขอนโยมในสนูตรม่ในการคือนํานํานําความคิดมาโดยบายวิธีที่แยบคลายแต่ว่ า, าเราสังเกตนะตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านคิดมาตั้งแต่โน่นนะตั้งแต่ก่อนจะออกบวชเพรา ะ, ะไรเพราะว่าชรามานะเนี่ยก็คือเทวทูตท่นเองเทวทูตที่ทรงเห็น คนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็สามัญนะด้วยนะฮแต่เจ้าพ่อคนแก่คนเจ็บคนตายในทรงมองว่ามันมาจากเกิดเหมือนกันว่าถ้าไม่เกิดแล้วเนี่ยาการเหล่านี้จะไม่มีสมัยตรงนั้นน่ะสมัยตรงนั้นตอนตอนเป็นเจ้าชาติสตาประชนอิฟก 9, า้าวพรรษานี้คิดอย่างนั้นเนี่ยคิดว่าถ้าแก้ที่เกิดได้เนี่ยแก่เจ็บตายก็ไม่มีหรอก หลังการเสด็จออกพนวดคราวนั้นก็คือต้องการหาวิธีแก้แก้ความเกิดก็ไม่ได้คิดหมายไว้ก่อนแล้วว่าอความเกิดมันก็เป็นผลแต่อย่าลืมว่าหลักการตรงนี้ไม่เคยเปลี่ยนมันก็แสดงเรงภูมิปัญญาอีกแหละ ว, ว่าพรงมองปฏิยจาจการมาตั้งแต่ต้นแต่มองไม่ตลอดเท่านั้นเองแหละเห็นมาตั้งแต่ต้นแล้วไม่เคยเปลี่ยนแสดงว่ามีปัญญาเข้าถึงลึกซึ้งมาก ที่สำคัญอย่างยิ่งว่าถามวาาคนอื่นเขามองได้ไหมเขามองได้แต่ไม่เกิดเบื่อหน่ายไม่เกิดเห็นทุกทโทษไม่เกิดเห็นว่าการเกิดเป็นทุกขความแก่เป็นทุกความตายเป็นทุกและจากเกิดถึงตายเนี่ยประสบทุกข์อีกสารพัดทุกคนก็ไม่เห็นอย่างนั้นแต่พระโพธิสัตว์ท่านเห็นของท่านอย่างนั้นมันก็จึงเป็นประเด็นอย่างหนึ่งที่เป็นแรงผลักดันกระตุ้นให้ ศึกษาค้นคว้าเพื่อสืบสาวไปสู่ไ อ, ไอตัวหัวมันจริงๆท่านฟังท่านหลายแต่รมพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุดติไว้ด้วยเวลาเป็นท่งนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, ง้องามไพื่อบุในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังท่านหลายโดยทั่วกันสวัสดี